เรื่องวงจรชีวิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจา้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายแม้ปรินิพพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออ่ำหนวยพรสิสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลน ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุกทุกประการจึงบังเกิดมีแดเพื่อนร่วมพุทธศาส น, า ท, นาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้ทงหลายเลยทักก่วกันทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านตั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาตกรถาธรรมอันเป็นคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านต่้งหลายจงในตางอกตั้งใจฟังกันโดยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประสาทศนา้าเสือกต่อไปตามสมควรแก่เวลานันจะพึงมีในวันนี้ทำไม้กระทาผมจะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าวงจรของชีวิต <c oughs> ทำไมจึงต้องเอาเรื่องนี้นำมาพูดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเกิดมีขึ้นมาได้ก็เพราะเรื่องราวของชีวิตความทุกข์ของชีวิตและความดับทุกข์อันมีอยู่ในชีวิตนี้ชีวิตมีวงจร หมายความว่ามีที่ไปที่มามีรอบเขตที่จะต้องวนเวียนมีทั้งวงจรปิดแล้ววงจรเปิด <c oughs> ใช้ภาษาสมัยใหม่หน่อยขออภัยวงจรปิดก็หมายความว่าไม่มีทางที่จะหลุดรอดปลอดภัยไปไหนได้ก็จะต้องวนเวียนวงเวียนวนเวียนที่ภาษาพระนิรวชังาสารังสาระ ไมว่าวัตตะวนวน <c oughs> นี่คือวงจรปิดแล็ยังมีอีส่วนหนึ่งคือวงจรเปิดคือไม่ต้องวนไม่ต้องเวียนลุดออกไปจากกงล้อสโคบขอบเขตของการวนเวียนทีนี้ปัญหาของเราเพราะมันไม่รู้หนทางออกจากวงจรจึงต้องวนเวียนวนเวียนกันอยู่ ที่นก็เลยจําเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดว่าพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อจะทําให้แจ้งเรื่งเรื่องนี้นตามปกติธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเราจะเกิดมาก็ตามหรือยังไม่เกิดมาก็ตามโลกนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีวงจรว น, นเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ทีนี่อี วงจรเปิดที่หลุดออกไปจากการวนเวียนนั้นมันก็มีอยู่ไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติของใครเพียงแต่พุทธศาสนาะด้เกิดมาค้นพบวงจอรอันนี้จึงต้องบอกเกียงต้องสอนกันในสมัยโบราณโน้นในโลกนี้เขามีความเห็นแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มอันเป็นเหตุให้เกิดกอลัธิ ปันะต่างๆคือกลุ่มหนึ่งมีความเห็นไปสุดเหวี่ยงอีกข้างหนึ่งวา่าชีวิตนี้ <c oughs> มันมีวงจรปิดอยู่ตลอดคือไปไหนไม่ได้จะต้องวนเวียนมายควาดวาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดไม่มีโอกาสที่จะไปไหนสุดพ้นไปไหนเลยี่กลุ่มนี้ว่าอย่างนี้ ภาษาบาลีวสสสส่าสัตตติทิพวกเห็นว่าเทียงเห็นว่าเทียงกายกับใจวนเวียนวนเวียนตายตายไปแล้วใจก็ไม่ตายวนเวียนต่อไปแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นไปไหนได้จะต้องเกิดจะต้องตายวนเวียนอยู่ในโลกในตามาโลกในเทวโลกพร ม, มโลกอยู่ตรงนี้แหละ เขาก็เลยแบ่งเป็นขอบเขตเป็นทรเฟียขึ้นมามีการมาพบรูปประพบอารูปประพบมีส่วนที่สแสวงหาการเสพการ ม, มีส่วนที่พอใจกับรูปอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องอารมณ์ไข่อย่างอื่นและก็มีส่วนที่เป็นอารูปไม่พอใจในรูปรสกลิ่นเสียงแต่พอใจในภาวะแห่งจิตใจอันหนึง่ง นี่เขาเห็นมานานเขาก็บอกว่าโลกนี่มันมีเพียงเท่านี้อาศัยกันอยู่อย่างนี้ไม่ไม่มีที่สุดอีกพวกหนึง่งเขาบอกว่าชีวิตของสัสตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายไปตายไปแล้วก่อนแล้วไม่มีการเกิดมาอีกร่างกายก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่ง อ, อันนี้เขาบอกว่ามันมันมันเป็นอันเดียวกันพวกหนึ่งบอกเป็นอันเดียวกันมากายตายไปจิตก็ตายไปเสร็จไม่ต้องเกิดใหม่พวกนี้เรียกว่าอุจเฉตทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ <c oughs> ส่วนอีกพวกหนึ่งนั้นเห็นว่าตายแล้วเกิดกายตายไปแล้วจิตยังไม่ตาย อันยังชีวังอันยังสรีรันติโหงติสัตโตปรมเรณติสวาอย่างนี้กายก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งสิรีละอันหนึง่งชีพอันหนึง่งเจ็บข้าหมายถึงชีวิตคือตัวจิตเลื่อนนั่นก็อันหนึง่งเมื่อคนหรือสตตายไปก็แตกกายแตกตายตายตไปแตกกาย จิตนั่นก็ไม่ตายยังร่องรอยไปเกิดในภพต่างๆตลอดไปนี่พวกหนึ่งเนีวันอัดพวกสตตะที่ทีอีพวกหนึ่งบอกว่าตายแล้วเลยไม่ต้องเกิดมาอกีกมันมีเพียงเท่านี้จะไปซ้นใจเรื่องาบาปเรื่องบุญใครอยากจะทำอยากจะสนุกสนานอะไรก็สนุกสนานไปเถิดยังมีอีพวกหนึ่งว่าไม่ต้องไปแก้ไปไขอะไรลมันเหมือนกลมได้เปียกได้ยุ่ง พราะแกงไปในอากาศเวียงไปในอากาศมันจะคลี้คลายของมันออกมาเองกรรมเกิด ม, มาแล้วมันจะหมดไปสิ้นไปเองของมันอะไรมันเป็นอย่างนั้น่ะทีนี้ในทางผู้ศาสนาไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดว่าเที่ยงแท้แน่นอนตลอดการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่รู้จะจบจะสิ้นไม่มีทางออกผู้ศาสนาเนี่ยก็ไม่บอกว่าตายแล้วสูญ ยังบอกว่ามันจะต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันให้ตรงปฏิจจสมภูตาใหุ้กพังขานิรุชะเลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุแตกสลายก็ดับไปแล้วกายกับใจก็อาศัยกันอยู่ไม่ใช่มันเป็นคนละอันกันธรรมกวายมะกังนัมรูปัญจอุโ ภ, โภนโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสิงอุโภฮิชันติปัจจญาติ กายกับใจนาม ก, ากับรูปอาศัยกันอยู่เมื่อทั้งสองฝ่ายอันใดอันหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปทางพุทธศาสนานี้พูดเป็นต่างๆว่าเมื่อมีเหตุมันก็จะต้องปนเวียนให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเมื่อเหตุที่จะให้เกิดเมื่อเหตุที่จะให้ตายมันหมดไปมันก็หยุดมันกหลุดออกไปตรงนี้ไม่ไม่ใช่อุเชธา ท, ทิฏฐิ ไม่ใช่สัพสัตสตทิฏฐิไม่ใช่อัติกะท pues ิฐิไม่ใช่นัติกะทิฐิไม่ใช่พวกขาดศูนไม่ใช่พวกเทียงแทไม่ใช่พวกว่ามีไม่ใช่พวกว่าไม่มีแต่อันนี้เป็นสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จิดมีขึ้นเกิดขึ้น จึงมีวงจรของชีวิตอยู่ในตัวของมันวงจรปิดก็ยังไม่หลุดออกไปก็ยังต่องบนเวียนเพราะยังมีเหตุมีปัจจัยวงจรเปิดก็คือการหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หลุดออกไปทีนี้เรามาดูวงจรของชีวิตที่จะนามาก่าวในวันนี้ต้องมารู้จักคำว่าชีวิตซะก่อนชีวิตคืออะไรทำไมชีวิตจึงมีอยู่ และชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและจะต้องทำให้มันเป็นโดยวิธีใดนี่คือปัญหาที่จะต้องตอกย้ำถามตนเองตลอดว่าชีวิตคืออะไรทำไมชีวิตจึงมียอยู่เป็นยอยู่อย่างนี้ได้และชีวิตนี้ควรจะเป็นอย่างไรและ จะทำวิธีใดให้มันเป็นอย่างนั้นอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดข อ, อยท่านทั้งหลายตั้งใจฟังหน่อยไม่สนุกสนานแม้จะเป็นเรื่องหนักสมองหรือไม่หนักก็ตามขอให้ท่านฟังแล้วก็คบคิดไปด้วยจะได้เลือกเฟนจ้ะ มันเป็นข้อวัดปฏิบัติวาง ท, าท่าทีลงในชีวิตจะได้บันเทาทุกข์คลายทุกข์หรืออาจาจะให้ทุกข์หมดไปจากจิตจากใจอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือความมีอยู่เป็นอยู่ของกายกับใจที่อาศัยการ น, นี่ชีวิตสองส่วนคือส่วนที่เป็นกายและเป็นใจ ในที่สุดก็มารวมเป็นหน่วยเดียวกันคือตัวชีวิตมีชีวิตคือความเป็นอยู่ของกายกับใจที่ได้อาศัยกันทำาไมชีวิตจึงมีอยู่ได้เป็นอยู่ได้ชีวิตนี้มีความเป็นมาจึงมาถึงความเป็นอยู่และมีความเป็นไป คือมีความเป็นมาด้วยาการเกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ด้วยการตั้งอยู่อย่างนี้และมีความเป็นไปคือแตกสลายทำลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือตัวชีวิตเทว่ามัน anyway. เป็นอยู่ได้อย่างไรเป็นอยู่ด้วยการเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปเป็นมาเป็นอยู่เป็นไป เจอขึ้นตั้งอยู่ดับไปไมีอรู้อย่างนี้ไว้สะก่อนและชีวิตควรจะเป็นอย่างไรเมื่อมันมีความเป็นมามีความเป็นอยู่มีความเป็นไปมันก็จะไม่เที่ยงแท้มันเป็นอนิจจงและมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเป็นอยู่อย่างนี้ ให้ไปสู่ให้ไปสู่ความเป็นไปที่ดีขึ้นก็ได้ที่เลวลงก็ได้ดีขึ้นก็หมายความดีกว่าสภาพที่มันเป็นอยูอ่เดี๋ยวนี้มันอาจเป็นความทุกข์ทนหมอหมอง ร, ร่อนกะวนกระวายบีบขั้นเป็นทุกข์ในสภาวะความเป็นอยู่ของชีวิตจิตใจก็ให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเป็นมนุษย์ทั้งสูงกันไปถึงเทวดาถึงอินพรหม เลยตลอดให้ดีที่สุดก็หลุดออกไปจากความเป็นความมีถึงนิพพานความดับลงแห่งความทุกข์ดับลงแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นไปควรจะให้มันเป็นไปสู่วงจรเปิดแต่ฮีนี้ถ้าหากนิ้เช่นั้นแล้วมันก็จะเป็นมาใหม่ด้วยอานาจแห่งความเป็นไปที่ไม่ดีจากความเป็นมนุษย์ ที่มองช่วงยาวมองช่วงยาวก็จะกลายไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นตกนารกบ้างหรือเป็นมนุษย์ติตาบอดหูหนวกง่อยเปียกเสยกขาเป็นคนพิกลพิ ก, การไปตามกรรมที่ตนเองกระทำชี่ควรจะเป็นอย่างไรก็ควรจะให้มันดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อ ย, อยวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆ จนถึงที่สุดหมายความว่าหลุดออกไปจากวงจรปิดสังสารหรือว่าวัตถสงสารอันนี้เลยมิเช่นนั้นอย่างต่ำลงมาก็ให้มันปิดกั้นประตูอบายความเสื่อมที่จะต้องไปเป็นเปลเป็นอสุ ร, รกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนม่มองชั่วยาวแล้วเรายังจะต้องมองช่วงสั้นๆที่นี่ จะให้มันเป็นโดยวิธีใดคือจะให้มันไปสู่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นโดยวิธีใดก็อาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้เมื่อเดิดเกิดมาตามไม่ปลอดโหไม่หนวกพบพระพุทธศาสนามีชีวิตจุเป็นโยกกายใจครบถ้วนร่างกายไม่พีการจิตใจไม่ทีกลิกลจริต ก็จงต้องมีธรรมะห้าประการศรัทธาซีเลนะจโยปวัตติปัญญายจาเคนะสุเตพยังเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาเจริญด้วยเสนมีปัญญาสดับศึกษาในการป่อยวางทีสศละโซตาทิโซส ป, ปุริโซวิจขนบุคคลผู้เป็นสัปตปุรุผูเฉียบแหลม เช่นนั้นอาทิยติสาละมิเทวอัตตนอย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ประโยชน์อันเกิดมาในโลกนี้แม้เพียงน้อยนิดก็ถือเอาประโยชน์แห่งชีวิตวิวัฒนาการพัฒนาจิตใจวิญญาณอันเป็นตัวควบคุมดายนี้ให้มันสูงขึ้นด้วยอำนาจคุณธรรมห้าประการศรัทธาสีนสุตจาระปัญญาซึ่งจะได้อธิบายกันตอนต่อไป ทำห้าประการนี้จะทำให้มนุษย์ธรรมดาไปตั้นประตูบายขยายขอบเขตของความเจริญแน่งชีวิตสู่ความเป็นเทวดาเป็นพรหมสูงขึ้นไปจนหลุดออกไปจากเทวดาจากพรมเลยไปจนถึงความไม่เป็นอะไรเป็นอสังขตะอาชาตางอภูต่งาตงนูน่นถึงนิพพานก็อาศัยทำห้าประการนี้ เป็นนั้นว่าเราสรุปหัวข้ออธิบายย่อเบื้องต้นไว้ก่อนว่าชีวิตคืออะไรคือกายกับใจที่อาศัยกันมีอยู่เป็นอยู่ในขณะนี้ยังไม่ตายทําไมชีวิตจึงเป็นอยู่มีเพราะอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมีความเป็นมาให้ถึงความเป็นอยู่และจะมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงเป็นอันิจฉา เป็นทุกขังเป็นอนันตราเป็นกฎของธรรมชาติใจ ร, รักที่มีควบวคมตัวชีวิตอยู่และชีวิตควรจะเป็นอย่างไรควรจะให้มันดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่และควรจะปิดประตูความเส่ิมที่มันจะเสริมยิ่งกว่าที่เป็นอยู่และให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเก่าและเป็ดประตูความเสริอมอับบายได้โดยวิธีใด โดยอาศัยหลักธรรมคำสั่งซ้อนของพระพุทธเจ้าของเราดังกล่าวแล้วคือเป็นผู้มีซิ้นมีสถัทธามีปัญญามีการสดับศึกษามีการเสียสละปล่อยวางทั้งภายนอกภายในเสียสละภายนอกวัตถุข่าวของเงินทองทําบุญทาทานแ ก, กหวานประดับจิตใจให้มีความสุขชุ่มชื่นและหายใจสูงขึ้นทั้งการปล่อยวางภายใน พูดเก่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสลัดสลัดออกไปตั้งแต่กิเลสหยาบๆาบถึงขั้นกลางกถึงละเอียด้นถึงที่สุดแห่งความทุกข์นป็นนือว่าเราสรุปกันอย่างนี้ก่อนทีนี้ก็มาดูตัวชีวิตที่ว่ามันคือความมีอยู่เป็นอยู่นี่มันมีความเป็นมาและก็มีความเป็นไปวงจรของชีวิตฝ่ายกายและฝ่าย ฝ่ายจิตก็มีวงจรของมันฝ่ายกายก็มีวงจรของมันฝ่ายจิตก็มีวงจรเกิดมาจากความไม่รู้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดตราจตนะผัสสะเวทนาตนหาอุปาทานพบชาถ้าเราจะอธิบายตั้งคันเป็นตอนมันจะยาวละเอียด แต่ความจริงเรามาดูช่วงสั้นๆมันก็ได้แต่ขอพูดถึงเรื่องฝ่ายกายสะ ก, ก่อนฝ่ายกายนี่ก็มีความเป็นมาจนถึงความเป็นเจ้าและจะมีความเป็นไปโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเมื่อมีฝ่ายกายเป็นมาฝ่ายจิตเป็นมาควบพรมอาศัยกันจึงเป็นชีวิต ฝ่ายกายนั่นก็อาศัยการเป็นมาด้วยการเกิดขึ้นเหตุสามประการพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์แม้แต่นิดเดียววิทยาศาสตร์ก็ยอมรับประยบให้แหละเพราะพุทธะนั่นแปลว่าหูรู้ฝ่ายกายก็อาศัยเหตุให้เกิดขึ้นสามประการมาตา ไปที่กสัมาโฮโบธนะอุมมาสะปัจโยอาศัยสัมภวธาตุของมารดาและบิดารวมกันข้าวึเกิดมาเป็นลาวอาศัยข้าวปลาอาหารข น, นมกล ม, มกักนขนมสดที่เขาเปรียบให้จเจริญเ ต, ติบโตขึ้นมาจนถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เส่นี่เหตุที่จะให้เกิดมานั้นมันก็อาศัยกันอีกที่เรียกว่าเหตุตุงปฏิจจสมปูตาอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ ฝายกายมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะลุตุลีโหติแม่มีประจําเดือดไข่สุกแล้วคันทัพโธรปรจุ ป, ปิตโตโหติเชื่อจากบิดาอย่างเข้าสุคันตรงนี้ยังบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาสุขัน <c oughs> ความจริงตัวคันทัพโทคันทัพโทนี่คือเชื่อจากบิดานั้นนะทางกายภาพ ตัวโคโมโซมตัวสเปอร์ ม, มาโตชัวตัวยีนอะไรของพ่อที่เข้าสู่ไข่ของแม่ง่ยายๆแล้วก็วิวัฒนาการมาจากโอลล่าภาษาบรลีเป็นน้ำมันคน หลังจากนั้นก็อมาเป็นโลหิตะเป็นก้อนเลือดเป็นอมพุท ธ, ธเป็นก้อนเนือ้อเป็นเปสิเป็นแท่งยาวๆเป็นปัญจาสาขามีตุ้มมอมมาห้าตุม้มแขนสองขาสองหัวหนังแล้วก็วิวัฒนาการนี้ยังอยู่ในท้องจนเอวังเป็นนังคับพัศวการตีโหตีครบกาหนดแห่งการตั้งเดลในครันในท้องก็คลอดเคลื่อนออกมาเป็นทารก นี่ส่วนตายเป็นอย่างนี้ก็อาศัยอาศัยเหตุสามประการนี้เพราะเหตุนั้นโลกปัจจุบันได้เจริญเจ้าหน้าเขาก็รู้จากเหตุอันนี้จึงมีการผสมพันธุ์คนในหลอดแก้วให้ออกมาผสมงวผสมควายผสมเทียมแม่มันเกิดความกำหนัดหมายความว่ามันไข่มันสุกแล้วถ้าเป็นคนก็เรียกว่าลุตัวนีโหม <c oughs> ีประจําเดือนไข่ ใ, ในท้องศพ เขาก็ผสมน้ำเชื้อตัวผู้ตัวคันทโพโภปจุปฏิโตโฮติเข้าไปมันก็ติดมันก็ออกมาเป็นจนเป็นตัวนี่คือทางตายส่วนหางจิตเอาล่ะทีนี้เราอธิบายกันอย่างนี้สักก่อนว่อาอะไรเหตุอะไรปัจจัยจอย่างนี้คือวงจรทางกายแล้วออกมาก็อาศัยข้าวปลาอาหารธาตุธาตุธาตุภาษ า, าบาลีเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติดินน้ำไฟลม พอออกมาปั๊บก็หายใจเอาอากาศเอาลมเลยหายใจเอาลมถ่านลมนี่แหละเขาไปป้งให้มีไฟอยู่ข้างในน้ำแล้วก็ดินซึ่งพ่อแม่ได้ให้มาแล้วสัมผัธาตุอันนี้หายใจข้าวหายใจออกเอาส่วนลมเข้าไปน้ำดื่มข้าวาเยี่ย่ออกมาเนี่ส่วนน้ำก็วนเวียนไม่ได้อยู่ของเก่าก็มีวงจรออมมัน ส่วนดินก็ข้าวปลาอาหารที่กินเข้าหายเทยออกมาส่วนความอบอุ่นในร่างกายนั้นคือส่วนของไฟมีเข้ามีออกในลมหายใจที่สูดเข้าเป่าออกเอาไปทั้งดินทั้งน้ําทั้งไฟทั้งลมในลมหายใจนี่มีน้ําแล้วก็มีความอบอุ่นในลมหายใจมีไฟแล้วถ้าเราหายใจใส่ภาชนะหรือใส่กระจบที่มันไม่ทละลุพ่นเข้าพ่นออกนานๆเข้าจะเห็นคลาบ เป็นข้าวเป็นใครนั่นนะคือส่วนของดินในลมหายใจที่โศกข้าวเป่าออกนี่ก็เอาดินเอานา้ําเอาไฟเอาลมให้มัข้าวมันออกโศกข้าวเป่าออกองเนี่ยส่วนละเอียดส่วนยาบออกมาก็กินเข้าไปทางปากดึงเข้าไปทางน้ำทางปากมันจะเยี่ยวออกมา ส่วนหยาบของดินก็คือตินอาหารเข้าไปแล้วก็ทายเทออกมานี่มันคุมกันอยู่อย่างนี้ทางกายก็เรียกว่าสุธิธรรมมาปวัตตาปิธรรมาชาติล้วนๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติในมีเทพประจงพระเจ้าที่ไหนมาสร้างมีซื้อเหตุคือปัจจัยที่นี่มันดูเหตุของเหตุมันก็าอาศัยเหตุอ า, าศัยปัจจัยเหตุของเหตุปัจจัยของปจัจจัยก็เหมือนกัน ข้าวที่เรากินเข้ามามันก็อาศัยเหตอาศัยปจัจจัยวานลงในดินอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยแสงแดดจึงเจริญเติบโตอาศัยปุย๋ยจึงมาเป็นต้นมาเป็นรวงเป็นมาเป็นเม็ดออกมาเอามันนึ่งเอามาทำอาหารกินพวกปูปลาอาหารที่เรากินมันก็อาศัยกินอาหารดินน้าไฟลมอย่างอื่นผสมให้มันเกิดมีขึ้นมาพืชมันก็กินดินกินน้ำกินไฟกินลมเองเหมือนกัน จะปลูกพืชกทางอากาศก็ไม่ได้ต้องปลูกใน ด, ดินนึก อ, อาศัยน้ําเป็นอันว่าตั้งอยู่ได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยซึ่งเต็ ม, มด้วยการเปลนแปล ง, งเสื่อมสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันนี่จึงเห็นส่วนย่อยอนุภาคต่างๆมีวงจรอยู่ในตัวมันข้าวปลาอาหารมก็มีวงจรของมันตัวชีวิตมนุษย์ก็มีวงจรในตัวอาละทีนี้เราเข้าใจเรื่องตาย ภาพจะได้ก็มาดูทางจิตตัวจิตนี่ก็มีวงจรอาศัยอยู่ในกายนี้ก็จริงแต่มันก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของจิตนี่มันก็จะเป็นการเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่ยังไม่ถึงวงจร เปิดมันก็ยังปิดตัวของมันเองไม่ได้มันก็ยังเปิดตัวของมันเองให้หลุดออกไปปิดตัวของตัวมันเองหลงไม่ได้มันก็ยังวนเวียนอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจิตสังขารกายสังขารการป่งการแต่งสังขารเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมีความรับรู้ แต่มีร่างกายแล้วความมีตัววิญญาณคือสภาวะที่รู้อาศัยกันเหมือนกับไฟในแบตเตอรี่เ <c oughs> มื่อมีตัวแบตเตอรี่มีน้ํากดน้ากันมีแผ่นท่าชาดไฟเขฟ้าไปมันก็เก็บไฟไว้อยู่ในนั้นทั้งทงี่ไม่มีตนมีตัวจะไฟจะอยู่ ล, ลอยๆอยู่ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้นแหละแต่ว่ามันก็เกิดมีขึ้นได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัย <c oughs> อย่างนี้ เ, เมื่อร่างกายอุบัติขึ้นเริ่มอุบัติแห่งชีวิตทางกายจิตซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นพลังงานอยู่ในสสารของกายนี้ก็บังเกิดขึ้นและจิตนี้ก็ไม่เหมือนกันคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นพันล้านคนมีจิจตใจไม่เท่าเทียมกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรก็เพราะตัวจิตอันนี้มี มีคุณลักษณะของมันอยู่ในตัวที่มันได้สั่งซ้อมอบอรมมามีความเคยชินเป็นอุปนิสัยให้ดีให้เร็วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะเหตุ น, นั้นคนจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันเพราะจิตไม่เหมือนกันจิตที่ไม่เหมือนกันนี่มันก็ได้สะสมความเป็นนิสัยของมันที่เรียกว่าอาสวะภาษาบริวะอาสวะคือความเคยชินความเคยชิน บางคนมันง่ายที่จะทำชั่วบางคนมันง่ายที่จะทำดีเพราะเขาเคยชินในการสร้างคุณงามความดีบางคนโหดเที่ยมทารุณเพราะนิสัยที่เคยสะสมมาหลายพบหลายชาติเจ็ดดวงนี่มันได้สะสมเหตุสะสมปัจจัยมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาโลภร่างหนาตาส่วยสดงดงาม แล้วก็ร่างกายสมบูรณ์กํำยําล่าสันแต่มีความกําหนัดทางเพศทางการมารม่น้อยมีเซนส์ทีฟทางนี้น้อยจนไม่แต่งงานแต่งการและก็บางคนก็บวชไปเลยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าไปถามหมอสมัยใหม่นี่เขาบอกว่าเป็นคนมีจิตทิ่ปกติพร่างกายกํำยําล่าสันแต่ไม่สนใจที่จะมีผัวไม่สนใจที่จะไม่เมีย แต่กับพอใจศึกษาธรรมะธรมโมอยากบทเรียนเทียนอาจสนใจครั้งนี้แต่ความจริงนั้นม่ใจะเข า, าจิตไม่สมประกอบตามที่โลกธรรมดาเขาใเขาได้สั่งสมในธรรมะเขาได้สั่งสมคุณธรรมเพื่อจะออกจากตามเพื่อจะตัดวงจรเพื่อจะไปสวงจอดเปิดมาหลายชาติแล้วแต่บางคนมีเซนส์ทีปรุนแรงมากนี้จิตอันนี้มันได้มา อาศัยอยู่ในกายนี้เพราะมันเองยังไม่มีเหตุมีปัจจัยให้มันลุดออกไปจากวงจรอันนี้แล้วจะเรียกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตนี้มีคุณภาพมีลักษณะของแต่และคนไม่เหมือนกันในร่างกายถ้มีเหตุมีปัจจัยที่เรียกว่าบาปบ้างบุญบ้างสิ่งได้สั่งสมมาสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากแรงขับของปัญหา ตัณหาก็เกิดมาจากเวทนาเวทนาความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็เกิด right. ตามตัณหาเกิดภาวะตัณหาคือใกล้อยากและอยากมีอยากเป็นถ้าเจอความไม่พอใจเป็นทุกขเวทนามันก็กลายมาเป็นวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบ ส่วนหนึ่งมันผลักออกไปถ้าพอใจมันก็เดึงเข้ามาอยากได้สิ่งนก้มาโป้งแต่งจิตเป็นเวทนาให้เกิดตัณหาเกิดเป็นอุปทานเกิดเป็นภพเกิดเป็นชาติที่นี้ก็เลยวิวัฒนาการอยู่ในตัวของมันทั้งทางเสริมและทางเจริญเพราะเห็นนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าคนเราจึงไม่เหมือนกันที่นี้ถ้าสภาพให่ความเส่อม มันก็จิตอันนี้แหละจะนำตนเองให้ตกต่ำลงไปไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เละชานตกนรกเป็นมนุษย์ที่าทุกยากลำบากที่กลพิการตาบอดหูหนวกต่างๆเหล่านี้ก็เพราะวงจรแห่งจิต ด, ดวงนี้แหละที่มันสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เลยออกผลออกมาทีนี้ถ้าหากมันวิวัฒนาการปไปในฝ่ายดีมันก็มาสู่ความเป็นมนุษย์ ที ound, you, Smith, ่อ er, ุดมสมบูรณ์ด้วยผิวพรร์ด <os> <The> ้วยอ่าร่างกายที่ดีที่งามด้วยความเป็นจยู่ที่งามมีจิตใจที่ดีที่งามขึ้นโซงขึ้นมามันก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไปนู่นนะหรือเก่งขึ้นมามันก็วิวัฒนาการจนหลุดออกไปจากวงจรของตัวมันเองเพราะเหตุนั้น ถ้าจะว่าไปแล้วทางร่างกายนี้มันมีวิวัฒนาการโดยธรรมชาติฝ่ายกายมันไม่ทําให้มีอะไรแปลกกันมากนะักระหว่างคนและสัตว์ทางหลายแต่ส่วนที่มันทําให้วงจรของชีวิตต้องกระห็กละอะเหระระเร่ร่อนละหกละเฮินกตกละตาล ำ, ำบากขึ้นสูงลงต่ําลงต่ําขึ้นสูงหัวเราะร้องไห้แล้วแล้วเอาเหล่าอยู่เนี่ย พา้าพเจ้าจิตดวงเดียวอันนี้เรว่าวงจรของชีวิตจยูในเก็บดวงเดียวกลายเป็นนายใจยใจเป็นนายกายเป็นคนรับใช้เป็นเบาเพราะเหตุนั้นถ้านนายมันไม่ดี <c oughs> มันต้มเปิลเปิลคนใช้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไงวุ่นนําใช้ไปนในทางที่ผิดนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้น วงจรของชีวิตช่วงยาวเรามาดูช่วงยาวกันก่อนช่วงยาวท่านจัดไว้เป็นเป็นสามระดับเรียกว่าภาวะชีวิตของสัตว์โลกที่เป็นอยู่ของสัตว์เป็นวิถีชีวิตของสัตว์โลกท่านแบ่งไว้อยู่ในสามระดับคือระดับกามภ พ, รภพอรูปภพอรูปภพเป็นภาษาพระ การมาพบหมายถึงว่ามีคำนังว่าการ ม, มาวาจรคือวงจร อ, อยู่ในกามอารมณ์ไม่หลุดพ้นไปจากนี้ได้ผู้ยังสเสวยกามาโคนคืออารมณ์ทางอินสีทางห้าทางตาทางหงูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและกับมีใจนั่นแหละเป็นผู้ผักกู้ดันพวกการ ม, มาวาจรวงจรของจิตที่วนเวียนอยู่ในกามได้แก่อบายทั้งสี่ เป็นต้นว่าสัตว์ในราชาญเปตอสุรกายนารกแล้วก็มนุษย์ถ้าสูงขึ้นมาก็สวรรค์สวรรค์ชั้นมีคําว่ากา ม, มาวะจารกามาวจรสวรรค์มีหกชั้นดังที่เราเคยได้ยินพันเอกสนก่หที่ว่าตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุขา้วจะเป็นปรานีมิตสวรรคสวัสดีสะดวกสบาย ที่คนอื่นเขาป้อนเขาเนรและมิทธให้ทุกอย่างนั่นแหละมันไปสูงสุดแค่นั้นมันกเกอะเพิดเพลินอยู่ในการมารมมันไม่หลุดไปจากกามารมพวกนี้ยิ่งละเอียการมารมันเป็นที่แล้วก็จะวนเวียนเมือเมือนเป็นการมารมดีดๆก็จะล่องไหลเกาะเกี่ยววรรค์ยังไปว่าเบ็ดอีกลว่ที่เกาะเกี่ยวสูงขึ้นมาจิตระดับสูงวิวัฒนาการ ผ่านจากกรามรมรมาก็มาสู่รู ป, ปาวจจรรูปภพคือวงจรของจิตที่เกี่ยวพันกับวัตถุสิ่งของอันถูก อ, อกถูกใจปานนี้ท่านจะสภาพจิตพวกนี้กลายมาเป็นสัตว์ผู้เข้าถึงรูปประชานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจัตุถฌานและสภาวะจิตก็ได้รับผลอันเกิดจากสมาธิธรรมที่สงบคำงับพอใจ ของที่ละเอียดไปกว่าตามมารมก็มาถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นชั้นพรมทั้ง16ชั้นผู้เป็นภาษาฝรั่งมากกเป็น The Form, phere, เดฟอร์มสเฟียหรือว่าไฟเมทริเยลสเฟียคือวัตถุที่ละเอียดที่พอใจในวัตถุที่ละเอียดอย่างนี้ยน่้สูงขึ้นมาก็เรียก ว, ว่าอารูปาวาจอจนหรือ ว, ว่ารูปอรูปพบอรูปพบ ไม่เกี่ยวข้องกับกราร ม, มารมไม่เกี่ยวข้องกับรูปวัตถุสิ่งของที่พอออกพอใจแต่มีสิ่งหนึ่งคือจิตที่ปานี้ทม่เกี่ยวกับรูปกับวัตถุพอออกพอใจในสิ่งนั้นผู้เข้าถึงอรูปปัจจานทั้งสี่แต่แกอรูปพปภมพวกอากาซ่านจาร ย, ยานะวิญญาณจารยนะอากินกัญญาณจารยนะเนวะสัญญาณสัญญาจตนะ ทั้งหมดนี้คือช่วงยาวคือช่วงยาวมองในช่วงยาวของจิตของกายที่อาศัยกันฮอสโลไปทีนึงว่ามีอยู่สามระดับช่วงยาวของวงจรปิดนะอย่างไม่ใช่วงจรเปิดที่จะลดออกไปอย่างวนวียนตา ม, มาวาจรวงจรที่ติดอยู่ในกามได้ แ, แก่อบายทั้งสี่ตัดเปละคานเป็ อสุรกายนโลกมนุษย์และก็สวรรค์ต่างแต่าัาตุโมดาวดึงยามาดุสิฎานิมาติปรินิมิตสวัตต์ตดีพวกนี้เรียกว่าสเฟียพวกเป็นภาษาฝรั่งยังคืออยู่ในขอบเขตแห่งประสาททั้งห้าที่สัมผัสของกล้ามลำประมากรูปภพรูปประจรสัตว์ผู้เขาถึงรูปฌ า, านตั้งตและก็แยกไปเป็น เป็นพรม16ชั้นพวกนี้เรียกว่า the form s p e r เรียกว่า fine material s p e r e ขอบเคของผู้ยึดติดหมกมุ่นอยู่กับวัตถุที่พอ อ, อกพอใจที่ละเอียดต่อมาผู้สุดท้ายไม่เกี่ยวกับวัตถุเลยมันเกี่ยวกับกามเลยพอใจในสภาวะจิตอันดืมดำสงกไม่เกี่ยวกับวัตถุเรียกว่าอารูปาวาจรหรือว่าอารูปพบ ผู้เขาถึงอรูปฌานทั้งาาสี่ภาษาฝรั่งเรียกว่า The ฟอร์มเล s เฟียหรือว่าอ m m a t e r i a l ยนเฟียมีเขามองในในในในวงจรของชีวิตในระยะยาวทีนี้มองใกล้เข้ามาในระยะกลางๆในชีวิตชีวิตคนเราเนี่ยชีวิตหนึ่ ง, งไม่จะมองไปถึงสัตว์เทวดา ม, มานพมที่ไหนมองถึงชีวิตของเราเนี่ยมันก็นวนเวียจุดสามอัน ตอนเด็กๆก็บนเวียนอยู่ในการมารมพอใจในการมารมในรูปในเสียงในกิน่นในรถพอมีเยา้ามีเรือน ม, มีครอบมีครัวมากขึ้นรับผิดชอบโลกเต้าหัวเมียความรู้สึกกำนัดในการมารมซึ่งเคยรุนแรง high sensitive แต่ก่อนมันก็ลดลงมามันก็มาพอใจในการสแสวงหาทรัพย์สินข่าวของเงินทองรถรา ม, มาช่างเงินคา บ้านช่องห้องหอเนี่ยรั้งแรกมันอยู่ในการมาพบเดี๋ยวนี้มันมันมันสูงขึ้นมาอยู่ในรูปประพบพอใจที่จะสวงหาทรัพย์สมบัติมากๆต่อมามันก็เลยอยากทรัพย์สมบัติธรรมดาเข้าไปสูเกียรติยศความมีหน้ามีตาในสังคมซึ่งไม่เกี่ยวครับเงินกับทองกับอะไรมากนะักเราจะเห็นได้ว่า คนเป็นจานวนมากสามารถทุ่มเทเอาเงินเอาทองไปจ้างคนอื่นให้มาเลือกเราเป็นผู้แทนเป็นซอสซอสจออะไรต่างๆนพวกนี้อยู่ในอารูปประพบเรียก mm hmm. ว่าอ a ม e r ช a l ียนเซีย <c oughs> หมายก็ว่าพวกนี้เขาต้องการสิ่งเหล่านี้การ ม, มาลมกดตามรูปกดตามเขาป่าถนาสิ่งที่เนื้อสิ่งเหล่านั้นไปคือชื่อเสียงเกียรติยศ แต่แสดงสิ่งเล่านี้ก็จะมาเป็นอุปกรณ์แก่การละกันเมื่อมีเกียร์ยศชื่อเสียงแล้วมันก็จะเป็นทางนำมาซึ่งวัสดุสิ่งของซึ่งเป็นรูปปพแล้วก็นำมาซึ่งตามมาบก็ อ, อยู่ในวงจรปิดที่ยังต้องวนเวียนวนเวียนวนเวีย น, นหรือบางคนเขาไม่พอใจในชื่อเสียงเกียยศแต่เขาก็พอใจใน การทำบุญทำทานเป็นความสุขใจปรูงแต่งจิตเพลินได้เข้าวัดขับว่าฟังธรรมจำสิ่งมีความสุขใจพอใจยิ่งกว่าได้ลด ร, รามาช่างเงินคำกรแก้วทั้งหลายนี่คืออรูปาวาจรนี่มองในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเอามองใกล้เข้ามาอีกช่วงวันเดียวช่วงขณะหนึ่งขณะหนึ่ ง, ข ณ, งขณะหนึ่งของจิตไม่ต้องรอถึงกับเป็นหนุม่มเป็นสาวเป็นครึ่งคนกลางคนถึงคนเฒ่าคนแก่ เน่นโดยธรรมชาติให้มองดูโดยธรรมชาติของจิตลล้วนของคนเรามันก็มีอยู่สามอันในขณะช่วงมองหนึ่ง <c oughs> มันอาจจะกำลังหมากมุ่นกับการมารมอย่างสุดกล้าสุดหัวพอมันเอิบอินด้วยการมารมแล้วเวลาถัดไปอาจจะพอใจในรถคันใหม่ในบ้านหลังใหม่ในที่ดินแปลงใหม่ในเงินในทอง และชั่วโมงถัดไปมันอาจจะหลุดไปจากความพอใจรับจะไปพอใจในชื่อเสียงอันคนยกด่องตั้งร์เสิร์นเยืนยอเดินเด่นดังพอใจไปในหน้าบานเป็นกระดงหรือว่าจะพอใจในบุญในกุศล ใ, ใ, ในการเจริญสมาธิภาวนาไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงเกียรย์ยศไม่สนใจเรื่องเองินทองเข่าของพอยังไรยังไงเราก็จกตายแล้วในวันหนึ่ง น, งนงบางทีชั่วโมงหนึ่ง กำลังเพลิดเพลินอยู่ในการมาลมจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชั่วโมงถัดไปอาจจะพอใจในข่าวของเงินทองที่ได้มาใหม่ๆที่พอใจอย่างอีกในชั่วโมงถัดไปอาจจะพอใจในเชื่อเสียเกียกรติชดอาจจะพอใจในเรื่องบุญเรื่องกุศลที่ตนเองทํานี่ชั่วโมงหนึ่งอาจจะแบ่งได้ทั้งสามภพเลยทั้งการมาวะจรทั้งรูปปาวจร อ, อรูปาวจรทั้งการมาลมทั้งสิ่งของเงินทองทั้งเชื่อเสียงเกียรติชด จิตของคนเรามนุษย์เราก็วนเวียนวนเวียนอยู่เพียงแค่นี้นี่สามารถวิวัฒนาการมาถึงสิ่งของและก็ถึงสภาวะจิตล้วนๆสาหรับมนุษย์สําหรับสัตว์เดรัจฉานมีแต่เรื่องตามอย่างเดียวก็พอเลยไปนั่นมันก็ไปหาอยู่หากินมาสู่เรื่องรูปพวกหญ้าพวกอาหารเข้ามาไม่กินอิ่มแล้วมันก็นอนพอมันไม่สามารถเลยไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงอย่างเลย เดลฉันก็เลยวนเวียนอยู่กับตามและลูกอย่างควายมันกำลังหิ้วหญ้ากยกเอายาเขียวๆหาผ่านมามันลุกขึ้นยืนน้ำลายไหลเลยมันกำหนัดอยู่ในรูกในกรูกของหญ้านั้นมันก็มีเพียงเท่านี้นี่คือวงจรที่นี่มาใต้เรามองชั่วระยะยาวตั้งแต่มนุษย์สวรรค์อบายมาจนถึงพมลโลกมาจนถึงลูกปฐม และวยอดส่วนลงมาในชีวิตหนึ่งตอนตอนมตอนสาวกำหนัดในเรื่องการมาลมกลางคนมาพอใจแสวงหาทรัพย์สมบัติตัง้งเมื่อตั้งตัวเพื่อลูกหลานเพื่อวงตระกูลพอแก่เท่ามาเขาวัดเขาว่าฟังธรรมจําศีนหรืออาจจะพอใจในชื่อเสียงเกี ย, ดยดกรติยศโปรดเกษียณออกมาแลว้วก็ยังหน้าบานเป็นกระดองเป็นประธานชมลมโน่นชมลมนี่พอใจให้เขายกจ่องภูจัดการอย่างนั้นท่านอย่างนั้นอย่างนี่แหละนี่เทรี่สั้นแล้มากับวันหนึ่ง ชมองหนึ่งมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะเหตุนั้นวงจรของชีวิตทั้งชีวิตมีอยู่ในจิตดวงเดียวนี่คือวงจรเช่นนี้ชีวิตมีความเป็นมาและมีความเป็นไปดังกล่าวแล้วการที่เราเกิดขึ้นมาแต่ครั้งหนึง่งครั้งหนึ่งนั้นคือความเป็นมาของชีวิตโดยอาศัยเหตุปัจจัยทางกายและเหตุปัจจัยทางจิตเชนี้ความเป็นอยู่นั่นก็คือความเป็นอยู่ที่ได้เป็นมาแล้ว ชี่นี่มันก็มีความเป็นไปเมื่อเราตายการตายลงแต่ละครั้งเนี่ยก็คือความเป็นไปจากสภาว่าเป็นู่แล้วก็จะไปสู่ความเป็นอยู่เป็นมาเป็นอยู่ต่อไปเพราะนั้นการตายลงจึงไม่ใช่เป็นความสิ้นสุดของชีวิตหากแต่เป็นความเป็นไปของชีวิตาาพระสารพท่านจึงใช้คำว่ากายแตกกายแตกกายยศเฮทัง ปรัมมรณาสุขติงโลกังทุกขติงโลกังอุปชติหมายว่าเมื่อแตกกายนั้นคือความเป็นไปของกายของจิตที่มันแตกแล้วมันก็จะไปสุขติงหรือว่าทุกขติิงหมายว่าสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปว่าถึงทุกแปลว่าชั่ววายาเปลวสามคติไปว่าไปหมายว่าเมื่อแตกกายทําลายขันอันนี้แล้วยังจะต้องไปอีก ไปสู่สุขติถ้าหากมีคนงามความดีสร้างคุนงามความดีไว้ในจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็จะไปสุ่สุคติเมื่อมีความชั่วไม่มีความดีเลยมันก็จะไปอีกทางหนึ่งก็คือไปทางเลววนลงไปสู่ข้างล่างเองนั่นก็คือวงจรของมันอย่าเข้าใจว่าคนเราตายแล้วมันก็นแล้วนะมันจะไปสุดโตงพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเราเหมือนกับเพิด แต่ถ้าให้อัญะตระลังพิชางเขตเตวุตตังวิโลหะติเปรียบมือนพืชอย่างใดอย่างนั้นที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อกงอกขึ้นได้ปทวีแะสัญญาอาคามาศเนหั่จะตตโถพายังอาศัยรดแห่งแผ่นดินและเชื้อในอย่างแห่งพืชนั้ น, น, นเอวังขั้นถาเจทาตุโยชาะเจะอาจะตนาอิเมขันทั้งห้าท่าทั้งร้อยอาจตนะทั้งหกก็เหมือนกันแล่ให้ตรงปฏิจจสมโพตาให้ตัวพังคานิชุดเฉลอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ดับไปเหตุมันแตกสลายแล้วมันก็ดับไปแต่นี่มันก็มีเหตุที่จะวนเวียงกันต่อไปอย่างนี้อยากเข้าใจว่ามันหมดเพียงแค่นี้นะพืชที่มันหล่นลงมาจากต้นนั้นตัวเมล็ดพืชตัวผลของมันหล่นลงจากต้นเราจะว่ามันตายหรือมันเกิดนั่นคือวงจรของพืชมันหล่นลงมานั่นคือความเป็นไปของมันมันขาดจากต้นใหญ่ของมันมันจะว่ามันตายแต่มันทําไมเกิด แต่ว่ามันเป็นทําไมมันจึงต้องหลดนั่นมันคือความเป็นไปของมันแล้วจะเป็นมาสู่พื้นดินแล้วจะเป็นอยู่ในการงอกขึ้นมาการงอกของมันเกิดขึ้นมานั้นนาะมันคือความเป็นมาให้มันเป็นอยู่มันงนอกออกมามันอาศัยหนึ่งอุณหภูมิในแผ่นดินความชุ่มชื้นของน้ําแสงแดดสองยางที่มีอยู่ในมเมล็ดพืช ตัวยานนเนี่ยให้ตัวมเมล็ดพืชนี่งอกขึ้นเมื่อมันงอกเป็นต้นแล้วตัวมเมล็ดพืชนันก็เน่าไปตายไปแต่ต้นใหม่เกิดมาก็ใหญ่โตต่อไปนี่อาศัยแห่อาศัยปัจจัยคนเราเหมือนกับมเมล็ดพืชไอ้ตัวที่ตายไปนี่ก็เหมือนกับมันหล่ น, ม, น, ลนมันหล่นลงจากต้นใหญ่มันแล้วแล้วมันก็งอกใหม่ตัวงอกใหม่เกิดมาใหม่นั้นก็ไม่ใช่ตัวเก่านี่ไปงอก ก็เหมือนเมล็ดพืชที่มันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเมล็ดมันก็เน่าผุพังไปแต่ต้นใหม่ที่งอกขึ้นมานะมันงอกก็มาจากเมล็ดนั้นแต่เมล็ดนั้นก็เน่าไปแล้วก็เหมือนจิตที่ออกจากกายดวงนี้ออกจากร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็เนา่เาไปเผาไปแต่แล้วมันก็งอกมาจิตใหม่ไปอาศัยกายอันใหม่อีกมันไม่จบเพราะว่ายังไม่ไปพบวงจรเปิดที่จะให้มันลดออกไป ท่านจึงกล่าวว่าเหมือนกับพืชเยื่อใหญ่ยางมันมียางของพืชนั้นก็คือกิเลสตันหาภาสาราภธรรมบวตตันหาสิเนโหตันหาเป็อย่างเหนียวกรรมมังเขตตั้งกรรมการกระทํานั่นคือหน้าคือพื้นแผ่นดินเมื่อมีตันหาเป็นอย่างเหนียวในเมล็ดเผือดหวานลงเมื่อกิดที่นี่บาปและบุญนั้นน่ยเป็นอย่างเป็นอย่างยางใหญ่เยื่อใหญ่ย่างในจิตใจของเรา ตาปะเสเดหะปุญญเสเดหะยางแห่งบุญยางแห่งบาปเหมือนยางกับต้นไม้ต้นไม้มเมล็ดของมันล่วงหล่นลงมามันนําเอาความขมความหวานความส้มเกิดมาด้วยมันเอามาจากไหนมันก็ามาจากยางของมันไอยางของมันนําส้มนำหวานนําเปรี้ยวมามาให้มันเกิดได้รับความหวานความสม้มความเปรี้ยวคนเราก็นําบุญนําบาปมาด้วยอันเป็นยางบุญก็คงจะเปรียบเหมือนของหวา น, วาน ส่วนบาปก็ขมๆส้มๆอะไรต่างๆเนี่ยเรนี้ก็ยังวิวัฒนาการจากหวานเป็นส้มจากส้มเป็นหวานก็ได้เหมือนคนโบราณภาคอีสานว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วแง้มใดเคลือกเขาห้อมากอดเกี่ยวล่ำอ้อยปะเต้าขมอ้อยหวานๆนี่ยังกลายเป็นผขมได้เมื่อสิ่งแวดล้อมทําให้มันเป็นคนเราเมื่อเกิดมาโดยอาศัยบุญ อย่งเกิดมามีบุญมีเงินมีทองเข่า ค, ค้องเกิดมาเป็นลูกคนร่ํารวยหน้าตาดีสวยสดงดงามแต่เสร็จแล้วสภาพสังคมโดยทั่วๆไปมีแต่สิ่งยั่วยวนทวนใจให้ไร้หลงมีแต่ความชั่วอยู่รอบด้านคนนั้นก็สลายสลายบุญของเขาเขาเคยรวยเขาเคยเป็นคนดีเขากลับเป็นคนชั่วความรวยของเขาก็ไม่ไปทําบุญเขาเอาไปซื้อ เปอรอฟุ่มเฟือยใช้ใจ่าในกิจกรรมทางกรรมารมณ์ทางเพศแสวงหาชื่อเสียงเอาไปจ้างเงินค่าคนอื่นทํำลายคนอื่นเสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นผลไม้ที่เกิดมาในต้นของความหวานแล้วก็กลายเป็นส้มเหมือนมะขามหวานในหมู่มะขามส้มอะไรพวกนี้นี่ว่ากรรมมาพันธุ์แ ล, และจะําเป็นเผาพันธุ์กรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการกระทําในสภาพแวดล้อมที่นี้จะหาว่ามันถึงที่สุด มันฝังแน่นในหัวใจมาหลายภพหลายชาติไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความดีของเขาไม่สามารถที่จะตกอยู่ใต้อำนาจของความชั่วบุคคลผู้เข้าถึงธรรมจิตไม่ตกต่ำอย่างท่านกล่าวว่า <c oughs> พระโสดาบันนะจะต้องเกิดมาไม่ไม่เกินเจ็ดชาติและไม่มีโอกาสที่จะชั่วต่อไปต่อมิ่จะดีไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานเลยเรื่องนี้ก็มีหลักมีฐานให้เห็นด้ชาต บางคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนดีมากไปอยู่ท่ามกลางคนชั่วโอ้โหเด็ดตีนขาดยังไงเขาไม่ยอมทําชั่วเขาทําดีเขาจำนองด้วยว่าความดีคนดีทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากตายก็ไม่เอาฉันจะทําดีฉันดีกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันถึงจุดที่ไม่มีโอกาสกลับหลังไม่ําเลิกจิตดวงนี้ได้ฝักไฟได้ผูพันแต่สิ่งที่ดีที่งามมาตลอดมันก็วิวัฒนาการไปไกล เหมือนต้นไม้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติแม้ได้อยู่ถ้ำกลางหมูคณะที่มีรถชาติจา้างเลยเราจะต้องเข้าใจเป็นอย่างนี้นี่ก็อย่างดีที่ว่าเป็นวงจรพระพุทธเจ้าของเราท่านกนกล่าวว่าอโอโหปุญยันจะปาปัญจอย่างมัจโจกุรุเตอิท่าเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแหลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รั บ, บบุญและบาปนั้นแน่นอนเห็นไหม บุญบาปนั้นติดตามเข้าไปตันหิตสสะ ส, สังโหโอติตันจะอาทายะคัจฉิตตันจะสะอนุขังโหโอติชายาวะอนุปายิิบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉันนั้นมันจะต้องตามกันไปอย่างนี้แต่นี้ถ้ามันเข้มข้นถึงคุณธรรม ผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมมันเริ่มทำลายบุญมันเริ่มทำลายบาปไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้บาปมันเจาะเข้าสู่กระแสแห่งวงจรเปิดที่จะหลุดพ้นผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมระดับโสดาบันจึงไม่งันง่นแน่นไม่คลอนแขนเหมือนกับผลไม้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนรสไปเติมมะขามหรือว่าต้นที่มันไปเติมอยู่ท่ามกางความส้มทั้งทั้งที่มันหวานมามันไม่ยอมเปลี่ยนเลยบางต้นเนี่ยมันรุนแรงอย่างพืชบางชนิด อย่างพวกเขาบุรเพชรอะไรพวกนี้มันคงไม่ยอมเปลี่ยนขมไปเป็นอย่างอื่นไปได้ก็เหมือนบุคคลผู้เข้าถึงทำอย่างนี้มีเรื่องเล่าไว้ในสังยุตติกายมหาวาระหึคปะฏิปิฎกเล่มที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดถึงหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองหน้าที่สี่ร้ยหกสบสามถึงสี่ร้ยหกสิบ พูดถึงเรื่องจิตใจที่จะไม่ตกต่ําเมื่อตายไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสกับมหานามที่นครกระบินภัทพระเจ้ามหานามสากยะได้ประทับนั่งณนะที่ควรข้า ง, งแล้วได้ตร่าวทูลความนี้แกรพระผู้มีภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนคนกรกบินภันี้มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีประชาชนมากผู้ขนจอแจถนนกเก็แออัดยัดเยียดหม่อมชันมา นั่งใกล้ชิดกับพระสัตดาพระภิกษุสอ์ ท, ทั้งหลายผู้ที่เจริญใจแล้วถึงเวลายเย็นเมื่อกลับเข้าโ่พระนครกับบินพัฒยย่อมพ่านพบกับช้างบั่งมา้าบั่งรถบ้างเกวียนบ้างคนบ้างซึ่งไปมากันขวักไขวเวลานั้นสติของหม่อมชันที่ปาราพระภูมิพระภาคเจ้าปาราพระธรรมปราพระสงฆ์ก็ย่อมเผอไปไม่ถาวากรรมาฐาน พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่ก็พลังเพลิไปหม่อมฉันจึงมีความคิดดังในว่าถ้าเราสิ้นชีวิตลงในเวลานี้คติของเราจะเป็นอย่างไรที่ไปครา้งหน้าอาภิสัมปรายะของเราจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราทา่านกล่าวว่าอย่า ก, กลัวเลยท่านมหานามอย่า ก, กลัวเลยมหานามพระ อ, องค์จะมีมรณนะกับไม่เลวร้ายจะมีการกระดียาที่ไม่เลวร้ายท่านมหานาม บุคคลผู้ใดก็ตามที่มีจิตอบรมแล้วด้วยสตาด้วยสินด้วยสุตดยยาา้วยจาระด้วยปัญญาตลอดกาลอันยาวนานร่างกายอันนี้ของเขาซึ่งเป็นสิ่งมีรูปประกอบ้วยทาสีเกิดจากมารดาบิดาเติบโตขึ้นมาแล้วด้วข่าวและขนมเป็นขอไม่เที่ยงต้องขาดสีต้องนวดเฟ้นจะต้องแตกทําลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดากาบางแรง้งบังเกี่ยวบังสุนย์นักบังศูนั์ยิ่งจอกบางสัตว์ต่างๆบางใชนิดมบางหยอมกัดกินกายนั้นไป ส่วนจิตของเขาซึ่งอบรมด้วยศรัทธาอบรมด้วยสิ้นด้วยสุตะด้วยจาาักขะด้วยปัญญามาแล้วตลอดการอันยาวนานจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งไปสูงไปวิเศษช่วยฟังให้ดีนะท่านบอกว่าไปสูงจิตนั้นไปสูงจิตนั้นไปวิเศษอย่า ก, กลัวเลยมหานามอย่า ก, กลัวเลย ท่านจากมีมรณกรรมที่ไม่เลวร้ายจะทําการคือการกิริยาที่ไม่เลวร้ายอริยสัพพะภูประกอบด้วยทำเหล่านี้ย่อมเป็นผู้เอนไปหานิพานโน้มน้อมไปหานิพานเห็นไหมละ่ะหมายความว่าจิตนี่มันจะไม่ไปสู่ความเป็นบาปล่ะถ้ามันมีทำห้าประการดังกล่าวแล้วูอกุศลของเราท่านจึงกล่าวว่าปัญญายะสี่เลยนะ ส, สี่เลสตายาสี่เลน่ะจะโยปวัตตาติปัญญายะจาเกนะสุเตพยังบุคคลผู้ประกอบด้วยสตาซิมีการศกรึกษาในการที่สละอย่างนี้อาทิตติซาลมิเทวะอัตนโนย่อมถือเอาปาระโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไปโลกหน้าก็ได้ไปจากเดี๋ยวนี้นี้เขาจะเป็นสุขความเป็นไปที่ดีและจะเป็นสุขความเป็นอยู่ที่ดีแล้วจะเป็นมาที่ดี ที่เป็นอย่างนี้นี่คือทางด้านจิตใจจะต้องฟังดูกันให้ดีว่านี่คือชีวิตควรจะเป็นอย่างนี้วงจรของชีวิตท่านทั้งหลายอย่าได้คิดว่าตายแล้วมันก็นแล้วไปนะคนเราเกิดมานั้นจะต้องคิดเมื่อวันนี่มีวันนี้มีปีกายีปี น, ปนี้มีปีหน้ามีชาตินี้มีชาติก่อนมีชาตินั้นี้ที่นี่วงจรของมันที่จะทำให้มันปิดตัวลงได้ มันก็มีอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าพูดอย่างนี้คนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมันก็ไม่รู้จะจบมันวนเวียนนี่อันนี้เราพูดถึงวงจรผิดที่จะต้องวนเวียนจากตามจากรูปสุอาลุกที่นี้พอหยั่งเข้าสู่กระแสะแห่งธรรมระดับโสดาบันคือมีคุณธรรมห้าประการมีสถานมีสินมีสุตตะมีจาคะมีปัญญา มีโสตปฏิยังข้ามีสตามีเซนมีจักมีปัญญาตัดสุดตตาออกเทนี้นี่คุณในทางของพระอริยเจ้าขันา้นดาๆโสดาบันต้องมีครบห้าแต่มีสี่อันนี้ก็จะนําไปสู่ความเป็นไห้ว่าโสตปฏิยังข้าอ ง, งแห่งกู้เข้าถึงกระแสกระแสะแห่งอะไรกระแสะแห่งวงจรเปิดใช่ว่ากระแสะแห่งนิพพานอาตมาใช้คําใหม่วงจรเปิดคือถ้ายังเข้าสู่กระแสะนี้แล้วมันจะหลดุดมันจะหลดุด ไปสู่ความเป็นพระโสดาบันกลับคืนมาสู่โลกนี้ไม่เกินเจ็ดชาติไอเจ็ดชาตินี้จะมองในระยะยาว ก, ก็เกิดมาเจ็ดชาติดีขึ้นไปเรื่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆชาติสุดท้ายก็ดับพบสิ้นชาติเข้าสุนิพานถ้ามองในกระแส ร, ระยะสั้นๆก็หมายถึงจิตดวงนี้กลับคืนมาสู่อารมณ์ของโลกอานกลับคืนมาสู่กามมารรมาไม่เกินเจ็ดครั้งอย่างมองเห็นปั๊บมีความกำหนัด ปั๊บรู้เท่าทันปั๊บดับลงไปเอาเกิดอีกรู้อีกดับอีกไม่เกินเจ็ดครั้งแล้วก็จะติดในชั่วที่ได้พบเห็นในชั่วที่ได้สัมผัสอย่างนี้พอมาถึงสกิทาคามเมก็มาเพียงครั้งเดียวสักิงแปลว่าครั้งเดียวอาคาแปลว่ามามาเพียงครั้งเดียวแทนที่จะถึงเจ็ดครั้งมาเกิดเพียงครั้งเดียวที่ได้มองทางไกลนะมองระยะยาวถ้ามองระยะสั้นๆก็หมายขอบาบชิดมีความกําหนัดเพียงครั้งเดียว มันอ่อนตัวลงมากไปถึงเจดครั้งแอนมุ้งว่าเป็นหนุ่มเห็นสาวสาวสวยๆงดงามมากมีความกำลหนักเซนส์ทีบทางเพศปับ๊บสติรู้เท่าทันปับ๊บดับสลายวันนั้นเห็นอีกร้อยครั้งก็ไม่เป็นอะไรอีกเลยแต่เห็นปับ๊บจค่ครั้งเดียวสลายเจนี้ย์สูงขึ้นมาถึงอนาคาเมฆไม่กลับมาอาอนาคามฆคู้ไม่กลับม า, น, า, า, มมบมานั่นรีเทิร์เนอรเห็นเรื่องตารมาล้มเรื่องโลกปับ๊บ เฉยเลยไม่สนใจเลยนั่นจึงกล่าวว่าอนณาคามไม่กลับมาเกิดในโลกนี้นูน่นแตเกิดอยู่ชั้นสุภาวาสหลังจากนั้นก็ปรินิพานที่นู่นเลยไม่กลับมาช่วงระยะยาวของร่างกายของชีวิตแต่มองช่วงระยะจิตสั้นๆดวงเดียวนี้ก็หมายความว่าไม่สนใจเลยมองเห็นการมาลมมองเห็นผู้หญิงสวยๆผู้ชายหล่อๆก็เหมือนก้อนดินก้อนหยาเท่เฉยอย่างนี้เรีกว่านั่นรีเทนเนอร์เ อ, าอ้าไอ้นี้เรียกว่าวงจร เปิดที่จะหลดออกไปนี่แหละเรียกว่าวงจรเปิดที่จะหลดออกไปไม่ใช่ไม่มีอย่าเข้าใจว่ามันวนเวียนอยู่ตลอดทางพุทธศาสนานี่สอนให้รู้จักวงจรปิดวงจรเปิดถ้าบอกว่ามันมีได้อัติพิฆเวอาชาตังอภูตังอกตังอสั่งขตังโนเจตังพิฆเวอภะวิชตาอาชาตังอภูตังอกตังอสั่งขะตังนักจชาตัสภูตัสตัสกะตัสสั่งขตัส นิสตะระหนังปัญญาเยทะยศมาจัโคพิกเวอัติอาชาตังอโพตังอะกะตังอะสังกตังสัตสมาขอพลายพูดในภาษาบล า, ลาลีก็จะอเสียเวลาเวลาเราจะหมดความนี้หมายความว่ า, วาที่สุดทางหลายมีอยู่หน้าที่สุดทางหลายไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งหาว่าไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งจก็มิได้มีแล้วใส การรอดทนภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งก็จะหมีพึงปรากฏในโลกนี้ได้เลยแต่เพราะเหตุว่าที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกสร้างไม่ถูกปรุงแต่งฉะนั้นการรอดทนภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่งจึงปรากฏได้ในท่านกล่าวอย่างนี้ มันมีท่าบอกว่าจะสสมาจะโคพิคเวอธิอาชาตังอะภูตังอะกะตังอะสังคตังตัสตมะชาตัสภูตัสสะกตัสสะสังคตัสสะนิสระนังปัญญายะติอย่างไรล่ะท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นการรอดพ้นภาวะเกิดแล้วเป็นแล้วถูกสร้างถูกปรุงแต่จึงปรากฏได้ นี่คือวองจรเปิดที่จะทําให้ชีวิตนี้หลุดพ้นออกไปไม่ต้องกลับมามีมาเป็นแต่ไม่ใช่เป็นการไปถึงนั้นด้วยการไปการมาเนวะอาคติ่งนะคะติงนะะต่งไม่มีการไปไม่มีการมาอย่าถูกพนิกรหลอกสลากว่าจะไปทัวนิพพนิพานเอาอการกล่าวทำนิทถาคงจะต้องจบลงเพียงเวลาอันสั้นเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดเมีแก่ท่าน